เาเริ่มพูดธรรมแล้วนต่อไปต่ปีนี้เราพูดถึงเรื่องพัฒนาพุทธศาสนาเป็นหลักวิชาอย่างเยี่ยมในการพัฒนาคือพัฒนาจิตใจก่อนอื่น ม, นมนโนปุพังคมาธรรมามโนเสถิา ม, าา ม, ามนโามนโมายาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นสำคัญเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่จะถิดดีและชั่วขึ้นมาขึ้นอยู่กับใจใจจะมีสิ่งสำคัญมากซึ่งจควรจะได้รับการพัฒนาก่อนอื่น การป ร, ะสะรัสรูธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือการสาเร็จการพัฒนาจิตใจโดยช่องบูนพระสาวกทั้งหลายที่ป ร, ระดับจับฟังจากพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติจิตใจของตนก็เรียกว่าทำหน้าที่พัฒนาจิตใจสาเร็จเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งการพัฒนาจิตใจเรียกว่า ถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้แก่อรหัสตผลเมื่อได้พัฒนาจิตใจให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีความบกพร่องในตนแล้วการสั่งสอนคนอื่นก็สั่งสอนได้โดยถูกต้องแม่นยำํำและถึงใจด้วยไม่ว่าทำขั้นใดโลกผูดนับถือ พุทธศาสนาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรจะได้รับการอบรมการพัฒนาทางด้านจิตใจก่อนอื่นเช่นเดียวกันหาว่าจิตใจก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ ก, กันกับทางด้านวัตถุแล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายมีความผาสุกทั้งภายนอกภายใ น, นมีภายนอก ที่ด้านวัตถุตอนนี้ก็มีการพัฒนามากมายแต่จิตใจไม่ได้พัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่พ้นจากความทุกความเดือดร้อนอู่นั่นแหละในแผ่นดินนี้มีวัตถุเครื่องสนองความต้องการของโลกมากมายแต่รองไม่เห็นมีอะไรบกพรองพอที่จะออจากาขาดแคลนกันนักเลยแต่ทำไมมนุษย์เราจรึงมีแต่ความเดือดร้อนมุ่นวาย ถ้าสำนักษาอยู่ทุกแห่งทุกนหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าประเทศเขดแดนใดก็ตามมีตเรื่องความทุกข์เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาออกหน้าออกตาเสียจนเสียจนหมดพูดให้จนเมตตาเหนื่อยรู้สึกว่ามนุษย์เรานี้จะมีความทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ก็เลยซ้ำทั้งๆ ท, ที่มนุษย์มีความสลาดก่อสัตที่เป็นทั้ง อย่างนี้ก็เพราะขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจการปฏิบัติต่อหน้าที่การงานและปฏิบัติต่อกันในเพื่อนร่วมโลกด้วยกันจึงเป็นนุ่มๆดอนๆและมีการกระทบกระเทือนเป็นส่วนใหญ่ผลถึงระนาบก็ต้องเป็นความทุกข์ความหลงร้อนไปด้วยกันเพราะจิตใจขาดการพัฒนา ความพัฒนาจิตใจก็อยู่ให้เป็นไปตามเหตุตามผลเพื่อจะสมานความจริงให้เข้าถึงกันความจริงก็คือบ้านแม้ว่าสัตว์แม่ว่าบุคคลมีความรักตนด้วยกันทั้งนั้นสัตว์ตัวใดที่ไม่รักตนไม่สมหวนตนไม่กลัวความล้มความตายความเจ็บปวดรวดร้าวต่างๆนี้ไม่มี นอกจากสัตว์ที่ตายและคนที่ตายแล้วเท่านั้นจึงไม่รู้สึกอะไรขึ้นทื่ว่าสัตว์เป็นคนเป็นแล้วก็ต้องมีความน่าความสงวนตนตลอดถึงปลวกพ้องของตนตปนธรรมนาเพื่อให้ความเสมอภาคตามหลักธรรมของมุสลิมเจ้าที่เป็นธรรมให้ความเสมอภาคอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราจะควรได้รับการอดหลง แม้แต่เพียงสิลห้าถ้าว่าเราได้รับการอบรมให้ถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงแห่งพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้จะได้รับความร่มเย็นไม่น้อยเลยยกตัวอย่างเช่นปานาทิบาตเราอย่าแตรออกไปนอ ก, น อ, กนอนปานาทิบาตอยากฆ่าสัตว์อันนี้คือห้ามฆ่าสัตว์อยากฆ่าสัตว์ ถ้าเราย้อนเข้ามาถึงตัวของเรานี้ก่อนอื่นเพราะเราอะไรอรมันก็อยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับเราเรารากเราสมหวนเรามากยิ่งกว่าสิ่งในเหมือนโลกนี้แม่แม่แ ม, แม่เราจะอยู่ในโลกด้วยกันมีจํานวนมากมาแต่าไหรก็ตามก็เหมือนกับมีแต่ตนคนเดียวเพราะความเห็นแต่ตัวหรือความเห็นแต่เรานี้มันมีมากขนาดนั้นมีน้ําหนักภายในจิตใจของเรามากเหมือนหนึ่งว่าโลกไม่มีความหมายคนอื่นไม่มีความหมายเหมือนตัวคนเดียวนี่เลย ฉะนั้นตึงยกอันนี้ขึ้นมาให้มันเข้ากันได้มาปานาอยาฆ่าเราเพราะเรารักชีวิตอย่าเบียดเบียนเราเราไม่ต้องการความทุกข์ความลำบากเราปฏิบัติรักษาตัวเราอยู่ตลอดเวลาตะเกี่ยวตะกายแทบล้มแทบตายเพื่อความ หลุดพ้นรู้เพื่อความดีเลี่ยมจากความทุกข์ทั้งหลายนี่นั้นถ้ามักจะมาฆ่าเราด้วยแล้วมีอย่างที่ไหนเราไม่ประสงค์อยาตายอย่ามาฆ่าเมื่อเรายกเราเป็นตัวประธานขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาก็บอกว่าอย่ามาฆ่าฉันน่ะเพราะฉันก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันตลอดถึงสัตว์อย่ามาฆ่าฉันอย่ามาฆ่าเราเขาต้ออย่ามาฆ่าเราทั่วทั้งโลกมันมีน้ำหนักเท่ากันแล้วทำกันไม่ลง มันเรายกว่าเราขึ้นเท่านั้นอยาาฆ่าเรานะเท่อ น, นี้เขาก็บอกว่าอยาาฆ่าเราเหมือนกันเมื่ออย่าฆ่าเราแล้วอย่าฆ่าเขาเพราะมันีเหมือนมันเหมือนเหมือ น, นกันโลกก็ตรงใจต่อกันได้มีความผาสุกทํากันไม่เลยยกเพียงผินห้าเัานมาเพื่อพ่อปานา น, นี่มันก็มีน้ำหลัมากแล้ว อาินนายมารักของฉันเข็มเล่มหนึ่งฉันถือเป็นกรรมสิทธิ์ฉันเสียดายเราเสียดายถ้าเราให้ด้วยเจตนาด้วยความดนดีแล้วให้เป็นล้านล้านเราก็พอใจให้แต่การมาฉกมารักอย่างนี้ไม่พอใจไม่ว่าใครทางนั้นเป็นความเจ็บลึกอยู่ภายในใจไอสิ่งที่ขอรักนั้นไม่สำคัญอะไรนะักยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นเจ้าของนี่เลยการทำเรา การลากกรีการฆ่ากันมันเป็นการทำลายจิตใจกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากขอพระพุทธเจ้าห้ามลงจุดนี้ให้เห็นหัวใจกันว่ามีความสำคัญเท่าไหร่ในโลกนี้มีหัวใจเป็นสำคัญกว่าอื่นกาเมษมิชานอย่ามายุ่งกับเมียฉันอย่ามายุ่งกับผัวฉันผัวของเจ้าผงทฉานมันเหมือนกันหมด เรายกของเราออกมาเลยเทียบกันมันก็ได้กันได้สั์ได้ส่สวนกันคนไม่ตายถูกพาหมกหัวใจให้ดิ้นวนกะวนกวาากระเสือกกระสนอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ความทรมานมากห้าสิบห้าหนึ่งคนนี่เพียงสามข้อนี่ก็ทำโลกให้ร่มเย็นแค่ไหนมูสา โลกนี้ไม่ต้องการความโกหกหลอกลวงโลกอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเป็นคือไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เพราะความสัตความจริงต่างหากไม่ใช่เพราะความหลอกลวงต้มตุนกันการโกหกพกลมไม่ใช่เป็นของดีทำจิตใจของคนอื่นให้กาเริบ ม, มากมายการโกหกหลอกลวงบางประเภทนีดถึงชีวิตทีเดียวเป็นความเสียหายถึงชีวิตจิตใจ กระเือนมากมายสุราเราเกิดมาจากท้องแม่ของเราพ่อแม่ของเราไม่เคยเอาสุรายาเ ม, มามาให้เรากินเราดื่มแทนน้ำแทนท่าอะไรเพราะไม่อยากเหนลูกเป็นบ้าผนนู้น่ะ แต่มันเป็นโดยหลักธรรมชาติทั้งมันพ่อแม่ก็เสีย อ, อกเสียใจเพียงยุคนมีการส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถึงกับขั้นเป็นบ้าเขาตางก็เสียใจมากไหนจะเอาสุราไปให้ลูกกินแล้วให้ลูกเป็นบ้า ม, มีอย่างเลยพ่อแม่ไม่มีคนไหนเลยที่จะเอาสุราไปเลี้ยงลูกนะ่ะเอาแต่ของหยิบท้องดีข้าวต้มขานมน้ำก็เป็นนมฮะระว่าง หลวงพ่อเห็นว่าสุราเนี่เป็นพิษเป็นภัยท่านเห็นเป็นพิษเป็นภัยมานานแล้วท่านถึงได้ตั้งกฎบรรญัตินี้ขึ้นมาโลกทั้งหลายได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นภัยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามที่จะ้ตรัสรู้ขึ้นมาในโลกนับไม่ทราบกี่หมืน่นกี่ล้านองค์เพราะนานแสนนาน จัดทะรุถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆเป็นนักเป็นตอนเช่นพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่งก็หมายถึงระหว่างของพระพุทธเจ้าแต่และโอละโอที่มาจัดทะลุทำสอนโลกเแื้อโลกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระพุทธเจ้าก็มาจัดทะลุเรื่อยๆอย่างนั้นหลายครั้งลหลายวันกข้ไปมันก็มากมายกลาวกองแล้วสอนทำแบบเดียวกันทั้งนั้นมีสินห้านี้เป็นต้นท่านก็สอนแบบเดียวกันทําไมท่านจึงสอนแบบเดียวกัน เพราะความรู้ความเห็นของนักปราชญ์ไม่ได้แย่งกันเหมือนความรู้กับเห็นของโลกที่มีที่เลยเป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำเหมือนกันจึงหาที่ค้านกันไม่ได้เวลาบัรญัตบรรญัตอะไรลงการแนะนำสั่งสอนจึงลงในรอยเดียวกันไม่มีการคัดค้านกันได้เลยเพราะเป็นความจริงด้วยกันของจริงแล้วย่อมไม่กระทบกันต่างอันต่างจริงถ้า ม, มีการกระทบไม่มีการขัดแย้งกัน พฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่กาลไหนๆจนสมัยปัจจุบันและยังจะมีเป็นที่ยอมรับกันตลอดไปเพราะเป็นความจริงอันเป็นแนวทางชีวิตที่จะให้โลกได้รับความสงบเย็นใจด้วยศีลห้านี้ในข้อห้าสุราแหงของมุ่นมา่ พอพูดถึงในแง่นี้ก็มีเคยมีคนมาถามตอนไปฉันที่กระทรวงศึกษาธิการพมาถามพูดถามก็เป็นเป็นนักสุราคอสุราทีเดียวว่าการดื่มสุรานี่นะ่ะท่านบอกว่าเป็นโทษเราจะดื่มไม่เกิดความมึนเมาดื่มพอดีพอดีพอเข้าสังคมได้อันนี้จะเป็นบาปไหม เพราะเราไม่ดื่มให้มึนเมาจำเป็นก็ต้องได้ตอบขนาดไหนที่เราเห็นว่าพอดีที่เข้าสังคมได้พอดีไม่ถึงกับมึนเมาหากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นของดีไม่เสียอะไรแล้วก็ขอเชิญไปหาสุรามาให้หลวงตาบัวดื่มเดี๋ยวนี้ เอาให้ขนาดพอดีกับเข้าสังคมเวลานี้เรากําลังอยู่ในสังคมครกธรรมท่างหลายจะเห็นด้วยไหมแต่พอใจไปหาตุฬามให้หลวงตาบั ว, วดื่มไหมดื่มเพื่อสังคมอย่านั้นยาวขนาดที่มันเป็นบาปให้เอาขนาดที่ท่านทั้งหลายเห็นดีว่าเหมาะกับสังคมท่าก็บอกว่าทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้แล้วหลวงตาบั ว, วก็คนท่านทั้งหลายก็เป็นคนพอบรรจับบรรยังทั้งหมดที่พุ่ยเย่บัญจับสอนขน สิ่งที่เป็นบาปก็ว่าเป็นบาปแล้วใครจะเหนือโลกไปไม่เป็นบาปคารวาก็ต้องเป็นบาปผ้าก็ต้องเป็นบา ป, า เ, ป, บาปเมื่อผ้าเห็นว่าไม่ไม่งามแล้วคารวาสก็ไม่งามเหมือนกันสิ่งที่ไม่งามก็คือสิ่งที่ผิดจึงไม่ควรจะไปค่าหารในสิ่งเช่นนั้นซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิท่านกลัวกันี่เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตใจ เมื่อใจได้รับการพัฒนาตามเหตุตามผลมีความซึ้งในอัตธรรมของพระผู้เเจ้าแล้วการที่จะแสดงออกทางกายทางวาจาอันเป็นค่าศึต่อตอนเองที่เรียกว่าเป็นค่าศิกษาธรรมนั้นย่อมลดลงไปโดยลาดับแบบจนกระทั่งไม่เมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาตามรุ่งก่อนแล้วเราจะทําหน้าที่การงานจะก่อร่างช่างอะไรก็ตาม พอจิตเป็นตัวประธานจิตเป็นเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบได้รับการลบมมาโดยถูกต้องสวยงานเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดให้เกิดผลงานขึ้นมาตามเหตุตามผลนั้นๆก็ย่อมได้ผลเป็นเม็ดเป็นเมื่อทำอะไรขึ้นมาก็มีได้รับผลเป็นที่พอใจเป็นความสิทธิ์ตามฐานะห ง, งานนั้นๆหรือผลแห่งงานนั้นๆที่ตนทําขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากมากยิ่งกว่าการพัฒนาภายนอกถ้มันเหมาะสมจริงๆก็คือว่าการพัฒนาจิตใจด้วยการพัฒนาทางด้านวัตถุ ด, ด้วยเรื่องการพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากก่อนที่จะพัฒนาอันใดก็ตามเพื่อเป็นที่ยอมรับกันก็คือจิตเป็นเจ้าของ สิ่งต่างๆจะผิดหรือดีชัว่วประการใดขึ้นอยู่กับจิต ท, ที่รับาออการอบรมมากน้อยหรือการพัฒนามากน้อย้ากจิตไม่รับการพัฒนาอะไรเลยเนี่ยแม้แต่สิ่งที่เป็นคุณที่โลกท้ายมาเป็นคุณก็ยังมาเป็นโทษอย่าจุดดวงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นไฟโลกท้ายหุงต้มถ้าระดวจอะไรได้มากมายก่ายกองแต่เอาไปเผาบ้านเนี่ยยิ่งอย่างเราเห็นไหมเนี่ยพัฒนาเผาบ้านเผา เมืองแล้วปลูกกันขึ้นใหม่นี่ยดูสิพัฒนาแบบนี้มันดีไหงหัวใจนั่นแหละมันรบกุงดังด้วยความโลภเห็นแก่ได้เพียงเล็กน้อยพอได้กินแต่วันหนึ่งมันหนึ่งก็เอาบ้านเมืองของใครจะชิบหายวายปงเท่าไรก็ไม่สนใจขอให้พุงเราก่างๆสักหน่อยก็พอเราเป็นที่สบายอยู่ในท่ามกลาง บนพื้นอายอยู่บนศื้นาของคนปูนดัดร้อนเพราะถูกไฟเผาก็ไม่ได้คิดเพราะไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่มองเห็นหว่าใจเขาใจเราสมบัติเขาสมบัติเรามันมีคุณค่าอย่างไรบ้างหรือมีเฉพาะเราคนเดียวโลกนี้เป็นหนูหรือเป็นสตัดเป็นม้แห้งปรหมุกอย่างนั้นเรอถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาแล้วจะคิดอย่างนั้นไปไม่ได้ต้องคิดเป็นความสม่ำเสมอเขาเหมือนเราเราเหมือนเขามนุษย์เหมือนกัน มีความรักต้องหวนตนเพียงเดียวกันหมดตามหลักธรรมท่านกระกาวไว้แล้วความรักเสมอตนนั้นไม่มีตนเป็นทีรักอย่างยิ่งและเมื่อเราพูดได้เรามีความรู้สึกเราว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งีแล้วใครจะไม่ว่าตนเป็นทีรักอย่างยิ่งเหมือนกับเรานี้ไม่มี ทั้งโลกไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรตนเป็นที่น่นางดางยิ่งเหมือนกันนี่นัตถิอตตะสมังเตรมังความรักอื่นเสมืนเหมือนด้วยตนไม่มีถ้าสัตว์เขาพูดได้เขาก็จะนัตถิอตตะสมังเตรมังชาตตัวไหนก็จะเป็นวมาจาออกมาอย่างนี้นัตถิอตตะสมังเตรมังหากได้ยินเสียงเราจะจะลั่นโลกนี่เลยมีแต่เสียงอันเดียวนี้ทั้งนั้น ไม่มีสัตว์ตัวใดไม่รักตนการนักตนก็ต้องสงวนตนไม่อยากจะให้อะไรหรือใครมาแตะต้องทําลายเลยเมื่อเราอย่างเข้าถึงความจริงของเขาของเราแล้วมันก็ทํากันไม่ลงนี่ล่ะสาระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์จึงเป็นความเสมอภาคให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกทั้งปวกไม่ยิ่งไม่หย่อนพระพุธทธเจ้าอยู่ได้กับสัตว์ทลาดขนาดไหนจะไม่มีใครเกินพระพุธทธเจ้าความบริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเกินพระพุธทธเจ้า จะทำไมอยู่ได้กับสัตว์ร่มเย็นเป็นไปหมดทั้งสัตว์ทั้งอุปกรณ์เทุตรเทวดาอินผมไม่เคยเป็นภัยต่อหัวนอกจากเป็นคุณต่อโลกเบื่อไเดียวเพราะธรรมนั่นเองเท่าได้หมดสัตว์จะเล็กขนาดไหนก็ตามห้ามไม่ทําลายฟังเลยก็เพราะความสําคัญของสัตว์ตัวนั้นๆมันมีเท่ากันกับมนุษย์มีเท่ากันกับเราฉันจึงทํากันไม่ลงแล้วสอนไม่ให้ทำกันไม่ให้เบียดเบียนไม่ทําลายกัน เป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนี่เราพูดในแง่ ท, ทั่วไปที่ย้อนพูดเข้ามาถึงใจของเราโดยเฉพาะเราเห็นว่าอะไรสำคัญเวลานี้ใจของเราเห็นแบบเป็นสำคัญแล้วความสาคัญความ เ, าเมื่อเราเห็นว่าใจเราเป็นสำคัญเราจะทำวิธีใดที่จะพยายามรักาษาจิตใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ผมกับเรารักเราผมกับใจเป็นของที่มั่การเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นค่าสึกมันปุ้มลุมอยู่พายในจิตใจจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นเราเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดความโลภก็คือเรานะความโกรธก็คือเราความหลงก็คือเราขึ้นชื่อว่ากิเลสเครื่องก่อควรมทำลายในจิตใจงเรามากน้อยมันเข้าในบัญชีโดยหลักธรรมชาติแล้วว่าเป็นเราทั้งหมด เพราะานการจะแยกจะกิเลสจากกิใตใจของเราออกเป็นคนละสัดละส่วนวัา น, นั่นเป็นกิเลสนี้เป็นเราอย่างนี้มันจึงแยกยากและไม่ทราบจะจะแยกวิธีไหนและไม่สนใจที่จะแยกเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นีิเลดอะไรเป็นเราเป็นของเราอะไรเป็นค่าสิทต่อเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารากอย่างยิ่งจิงเป็นสิ่งที่กิเลสครองตลอดเวลาเรามีแต่ความไปปักปันเขียดนเอาเฉย ว, ว่าใจเรา ใจเป็นของเราใจเป็นเราทั้งทังที่กิเลสมันก็ถือว่ามเป็นมันเหมือนกันสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละเป็นเรามาเข้าแทรกที่กรงนี้เราเลยหาที่เก้ไม่ได้แต่แก้อะไรก็กลัวจะกระทวนเราคือตัวกิเลสนั่นแหละมันมาแฝงเป็นเราใช่เองเราจะแฝงกิเลสก็กลัวจะกระทวนเรานี้เรากับกิเลสก็ตอดกัน หลับนอนเป็นตายอยู่นั้นตลอดกลับตลอกันไม่มีวันอื่มพอทีนี้เราจะพัฒนายังไงเราจะพัฒนาอะไรให้มันจเจริญเวลาเนี้ยปกติก็กิเลสมันถูกได้รับการพัฒนาทุกวันเราอุถัมปถากดูแลมันตลอดเวลาพ่าเราเข้าใจว่ากิเลนนี้เป็นเราความโลภก็ได้รับพัฒนามากมายก่อกอง จนกระทั่งโลกจะทิบหายเพราะความโลภของแต่ละบุคคลบุคคลเกิดความกระทบกระเทือนกันมากมายจะลบราข่าพังอะไรมันมีแต่ความโลภอันนี้เป็นตัวเหตุเป็นเจ้าอํานาจวาสนาใดโตโลหิตันยิงได้รับการพัฒนามากมายสำหรับอันนี้อันนี้ถูกการพัฒนามากน้อยเพียงไรโลกก็ยิ่งมีความเดือดร้อนมากเพียงนั้นเพราะโลกถือว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเรา นล้วเราเวลานี้อะไรที่จะรับพัฒนาใจแล้วว่าจะได้รับพัฒนาด้วยธรรมนะเวลานั่งภาวนาไปไหนบ้างนี่แต่ความง่วงเหงาห้านอนขี้เหย่มันกล่อมไปเรื่อยนะมันก็พัฒนาไปในตัวของมันเองอ่ะในขณะที่เราตั้งใจว่าเราจะพัฒนาจิตความง่วงง่วงความง่วงเหงาห้านอนความขี้เกียจที่ค้านเจ็บนั่นปวดนี้อ่อนแอมันก็พัฒนาของมันผลสุดท้ายก็ล้มไปตามมันเย yeah. แล้วเป็นยังไงผลการพัฒนาของเราก็คือหมอนนะฮแล้ววันนี้ก็หมอนวันหน้าก็หมอนสุดท้ายก็มีแต่เรื่องพัฒนาที่เหล่ฮะเนื mm ่อ hmm. ห์ย่นเข้ามาให้เรียกว่าโอปนยีโกให้น้อมเข้ามาสิ่งที่เป็นค่าสึกอยู่ภายในจิตใจของเราไม่อยู่ที่อื่นการแก้ไขดัดแปลงจิงต้องแก้ไขกันที่นี่ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจแล้วความเพียรมันก็มีมาเองศรัทธาความเชื่อเป็นสำคัญเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลในหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วความเพียรมันก็มาเองความอดความทนก็มาเองถ้ตติปัญญาไม่ได้จนกรอกคนเราคือไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงค่าวจนกรอบแล้วทตติปัญญามันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะการตอบสังหา ไม่จนเกากง่ายๆมันไปจนได้รอดไปรอดจนได้พิเรศไม่แค่จะมีความฉลาดแหลมคมเหนือเราเสมอไปเรายังสามารถที่จะฟาดปันพิเรศให้แหลกลงไปได้ด้วยอำนาจของสิ่ปัญญาซึ่งมีความแหลมคมกว่าพิเรดได้ดั่งพระพุทธเจ้าทรงนำเนินมาแล้วท่านจึงได้ประทานอาวุธเหล่านั้นซึ่งได้ผลมาแล้วเป็นที่พอกระตายให้แก่พวกเราทั้งหลาย ศรัทธาวิยะสติสัมมาทิปัญญาเหล่านี้เป็นอาวุธทั้งหมดดาเนินพัฒนาจิตใจที่ถูกหุ้มล้อมอยู่ด้วยที่เหลืทั้งหลายนี้ให้มันค่อยหมดไปหมดไปอย่างน้อยก็คอยรับความเย็นอกเย็นใจและพอได้รู้เหตุรู้ผลในการดําเนินชีวิตจิตใจทั้งตนหน้าที่การงานเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเราก็มีความสุขความสบายยิ่งกว่านั้นจิตมีความขนาดแหลมคม เนื้ตัวเพศต่างๆที่เคยฝังตมอยู่เป็นเราเป็นเราเป็นเรามาตลอดเวลานั้นจะถูกแยกออกไปจะแยกออกว่าถือว่าเป็นความควนิริตก็ได้ฮะแต่ถือว่าเป็นข้าถือก็ถูกแล้วแยกแยกกันไม่อยู่ไม่ถอยแยกได้ทําไมแยกไม่ได้หากแยกไม่ได้พระองไม่สอนให้แยกพระองค์ตัดสู้ขึ้นมาไม่ได้ตัสรู้ขึ้นมาด้วยอะไรด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญา เราก็นําเครื่องมือนั้นมาแก้มาถอดถอนถอดถอนได้ถอดถอนได้จนไม่มีอะไรเหลือภันในใจเมื่อใจได้ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่เพราะการพัฒนาด้วยสติปัญญาตรดาพรหมเพียงอย่างเป็นที่เช่นเดียวกันแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่ควรเป็นจิตที่เหมาะสมต่อทำทั้งหลายอย่างยิ่งเลยอยู่ไหนก็อยู่เธอไปไหนก็ไปเถอะการสถานที่เวลาเวลา อดีตอนาคตไม่มีเพราะจิตตรงนี้พอแล้วในตัวเองยิ่งไม่ไปหิหวโหยรูปคำความนุ่นความมีถึงอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่สถานที่การเป็นการตายการตกนรกขึ้นสวรรค์ไปนิพพานที่ไหนหมดปัญหาไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัวปัญหาเมื่อแก้ปัญหาภายในตัวเองเสร็จขึ้นลงไปแล้วปัญหาก็ไม่มีเป็นผู้สิ้นสุด อาจจะเรียกว่าวิมุตติพันธ์พานก็ได้ไม่เรียกท่านก็ไม่หิวไม่หโหยเรียกทาไมของรู้อยู่กับตัวอยู่แล้วจําเป็นอะไรจะต้องไเรียกเอนัอ่นพอนี่คือการพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าทรงพัฒนาจิตใจเป็นพระองค์แรกสาวกทั้งหลายสอนให้พัฒนาจิตใจท่านกระดำเดนการพัฒนาจิตใจจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นไปได้ ฐานพระธรม ท, ทีประกาศสอนโยกมาเดิมำดับนี้ก็สอนให้พัฒนาจิตใจก่อนอื่นเพราะใจเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าการเจ้างานเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพายในจิตใจเป็นผู้บงการการงานจะผิดถูกดีชั่วประการใดขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้สั่งงานใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วแล้วจะมีความเจริญดุ่งเดือง การแสดทำก่รอครื่องขวายเป็นยุติเพงเท่านั้น